สิกขาบทที่7ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อไม่เป็นไข้ออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาฉันส่วนตัวณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตนกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักขีออกป่าขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างมาฉันส่วนตัวในสิกขาบทที่เจนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางกายวาจากับจิต